พระราชาครั้นตรัสอย่างนี้แล้วจึงทรงพระดำริว่ามานพลักภาวิธุระบัณฑิตไปตามชอบใจนับตั้งแต่วันที่เธอจากไปยากที่เราจะได้ฟังธรรมกถาอันไพเราะถึงอย่างไรเราควรขอให้เธอพักอยู่ในถิ่นของตนถามปัญหาในคารวะสธรรมเสกกรลำดับนั้น เท้าเธอทรงอาราธนาพระมหาสัตนั้นอย่างนี้ว่าข้าแต่บัณฑิตเมื่อท่านจากไปแล้วยากที่ข้าพเจ้าจากได้ฟังธรรมกถาอันไพเราะขอท่านพักอยู่ในถิ่นของตนเองก่อนเธอนั่งบนธรรมมาฏอันประดับแล้วแสดงปัญหาในคารวะสธรรมแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้พระมหาสัตต ร, รับพระบรมราชออคงการว่า ดีละพระเจ้าค่าแล้วนั่งบนธรรมธาตุที่ประดับแล้ววิสัชนาปัญหาที่พระราชาตรัสถามปัญหาคาถาในครวะศรธรรมนั้นมีดังต่อไปนี้ท่านวิทุระบัณฑิตครรหัตผู้อยู่ครองเรือนจะพึงมีความประพฤติอันปลอดภัยได้อย่างไรจะพึงมีความสงเคราะห์ได้อย่างไรจะพึงมีความไม่เบียดเบียนได้อย่างไร และอย่างไรมานพจึงจะชื่อว่ามีปกติกล่าวคำสัตว์จากโลกนี้ไปยังโลกหน้าแล้วจะไม่เศร้าโศกได้อย่างไรบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าจะพึงมีความประพฤติอันปลอดภัยได้อย่างไรเขมาวุตติกะถังอัศะความว่าคฤรืหัดผู้อยู่ครองเรือนจะพึงประพฤติตนให้ปลอดภัยได้อย่างไร ข้อว่าจะพึงมีความสงเคราะห์ได้อย่างไรกระั น, นุอัฏฐะสังขโหความว่าอย่างไรเนอเขาจะพึงมีการสงเคราะห์กล่าวคือสังคหวัตถุสี่ประการคำว่าความไม่เบียดเบียนอัพยาปัจชังได้แก่ความเป็นผู้ปราศจากทุกข์คำว่าและมีปกติกล่าวคำสัตว์ สัจวาทีจะความว่าก็อย่างไรมนบจะพึงชื่อว่ากล่าวแต่คำสัตว์คำว่าจากไปเป็ดจะได้แก่ไปสู่ปรโลกพระศาสดาเมื่อทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าวิธุระบัณฑิตผู้มีคติมีความเพียรมีปัญญา เห็นอัด ร, รมอันสุขุมกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้กราบทูลพระราชาในโรงธรรมสภานั้นว่าผู้ครองเรือนไม่ควรคบหญิงสาธธรณะเป็นภรรยาไม่ควรบริโภคอาหารมีรสอร่อยเพียงผู้เดียวไม่ควรส่องเสพถ้อยคำอันให้ติดอยู่ในโลกลัทธิโลกายะตะไม่ให้สวรรค์และนิพพาน เพราะถ้อยคําเช่นนั้นไม่ทําให้ปัญญาเจริญผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดไม่ประมาทมีปัญญาเครื่องสอดส่องเหตุผลมีความประพฤติถ่อมตนไม่เป็นคนตรนีเหนียวแน่นเป็นผู้สงบสงเเหน่งกล่าวถ้อยคําจับใจอ่อนโยนผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้สงเคราะห์มิตร จำแนกแจกทานรู้จักจัดธรรมพึงบำรุงสมณะพรามด้วยข้าวน้ำทุกเมื่อผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้ใกล้ทมทรงจำอัดธรรมที่ได้สดับมาแล้วมันไต่าถามพึงเข้าไปหาท่านผู้มีศีลเป็นพหูสูตรโดยเคารพคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจะพึงมีความประพฤติอันปลอดภัยได้อย่างนี้ จะพึงมีความสงเคราะห์ได้อย่างนี้จะพึงมีความไม่เบียดเบียนกันได้อย่างนี้และมนุภ์พึงปฏิบัติอย่างนี้จึงจะชื่อว่ามีปกติกล่าวคําสัตว์จากโลกนี้ไปยังโลกหน้าแล้วจะไม่เศร้าโศกได้ด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าค่าบรรดาคาเหล่านั้นคําว่าพระราชาในโรงธรรมสภานั้น ตั้งตัดทะความว่าภิกษุทั้งหลายวิทุระบัณฑิตได้แสดงคารวาสธรรมถวายพระราชาในโรงธรรมสภานั้นคำว่าผู้มีคติคติมาความว่ า, า, ว า, วาชื่อว่าผู้มีคติด้วยญาณคติอันประเสริฐคำ ว, ว่ามีความเพียรทิติมาได้แก่ผู้มั่นคงเพราะมีความเพียรไม่ขาดสาย คำว่ามีปัญญามติมาความว่าผู้มีปัญญาด้วยปัญญาอันไพ่บู์เสมอด้วยแผ่นดินคำว่าเห็นอัตธรรมอัตทะทัศนาได้แก่ผู้เห็นอัตอันละเอียดสุขุมคือเห็นอัต ด, ด้วยญาณคำว่าผู้กําหนดรู้สังขาตาความว่าวิตุระบัณฑิตกําหนดรู้ธรรมได้ทั้งหมดด้วยปัญญา คือยานเครื่องกำหนดรู้แล้วกราบทูลคามีอาทินี้ว่าผู้ครองเรือนไม่ควรครบหญิงสาธารณะเป็นภรรยาในคารวาสธรรมนั้นผู้ใดผิดภรรยาของชนเหล่าอื่นผู้นั้นชื่อว่ามีหญิงสาธารณะเป็นภรรยาบุคคลไม่พึงเป็นคือไม่ควรเป็นผู้เช่นนั้นคำว่าอาหารมีรสอร่อยเพียงผู้เดียว สาธุเมกะโกความว่าผู้อยู่ครองเรือนไม่ให้โภชนะอันประนีตมีรสอร่อยแกชนเหล่าอื่นแล้วไม่พึงบริโภคเพียงผู้เดียวคำว่าอันให้ติดอยู่ในโลกโลกายติกังความว่าไม่ควรซ่องเสพวาทะอันเกี่ยวในทางหายณนะอันเป็นคำพูดให้เขาหลงเชื่อไม่อาศัยประโยชน์ ไม่เป็นทางให้ไปสวรรค์ไม่นําออกจากทุกข์ข้อว่าเพราะถ้อยคําเช่นนั้นไม่ทําให้ปัญญาเจริญเนตังปัญญะวัฒนังความว่าก็ข้อนั้นเป็นทางยุติดอยู่ในโลกไม่ทําให้ปัญญาเจริญคำว่าผู้มีศีลศีละวาได้แก่ประกอบด้วยศีลห้าข้อไม่ขาดคำว่า สมบูรณ์ด้วยวัดวัดตตสัมปันโนความว่าเมื่ออยู่ครองเรือนต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชาคําว่าไม่ประมาทอัปมัตโตได้แก่เป็นผู้ไม่ประมาทในกุศลธรรมคําว่ามีความประพฤติถ่อมตนนิวาตะวุติความว่าไม่กระทําความเย่อหยิ่งประพฤติถ่อมตน ยอมรับโอวาทานุสาสนีคำว่าไม่เป็นคนตรนีเหนียวแน่นอัตถดโธได้แก่เว้นจากความตรณีเหนียวแน่นคำว่าเป็นผู้สงบเสงี่ยมสุรโตความว่าประกอบด้วยความสงบเสงี่ยมคำว่ากล่าวถ้อยคำจับใจสัคิโลได้แก่ ผู้มีวาจาเป็นที่ตั้งแห่งความรักคำว่าอ่อนโยนมุทุได้แก่ผู้ไม่หยาบคายด้วยกายวาจาและจิตคำว่าผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้สงเคราะมิรสังฆเหตาจะมิตรตานังความว่าผู้อยู่ครองเรือนพึงเป็นผู้ทำการสงเคราะมิตรผู้ดีงามคือพึงสงเคราะด้วยเครื่องสงเคราะ มีทานเป็นต้นคำว่าจำแนกแจกทานสังวิภาคีได้แก่ทำการจำแนกฐานแกสมณพราหมผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นต้นและแก่คนกําพร้าเป็นต้นคำว่ารู้จักจัดธรรมวิธานะวาความว่าพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการจัดแจงในกิจทั้งหมดอย่างนี้ว่าในเวลานี้ควรจะไถ ในเวลานี้ควรจะหวานคำว่าพึงบำรุงตับเปยะความว่าพึงถวายให้อิ่มหําโดยบรรจุภาชนะที่ตนรับแล้วรับแล้วให้เต็มคำว่าผู้ใคร่ทำธรรมกามโมความว่าผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้ใคร่ปรารถนาประเพณีทำบ้างสุจริตทำบ้างคาว่า จำทรงอัตธรรมที่ได้สดับมาแล้วสุตาทาโรความว่าเป็นผู้ทรงสุตะคำว่ามันไตาถามปริปุจชโกความว่าผู้อยู่ครองเรือนพึงเข้าไปหาสมณะพราหมผู้ทรงธรรมแล้วมีปกติไตาถามด้วยคำมีอาธิว่าอะไรเป็นกุศลนะอรับคำว่าโดยเคารพ สักกัดจังได้แก่โดยความเคารพข้อว่าจะพึงมีความสงเคราะห์ได้อย่างนี้เอวังนุอัฏฐะสังขโหความว่าผู้อยู่ครองเรือนแม้การสงเคราะห์ก็สมควรทำเช่นนั้นคําว่าชื่อว่ามีปกติกล่าวคาสัตสั จ, จวาทีความว่าผู้อยู่ครองเรือนปฏิบัติได้อย่างนี้ ชื่อว่าเป็นผู้กล่าวคําจริงพระมหาสัตว์แสดงปัญหาในคารวาสศธรรมถวายแด่พระราชาอย่างนี้แล้วลงจากบัลลังก์ถวายบังคมพระราชาฝ่ายพระราชาทรงกระทำ ม, มหาสักการะแก่พระมหาสัตว์นั้นมีพระราชาหนึ่งรหนึ่งพระองค์แวดล้อมเป็นบริวารเสด็จกลับไปสู่พระนิเวศของพระองค์ คารวาสปัญหาจบ